พุทธธรรมฉบับรับขยายตอนชีวิตเป็นอย่างไรบทที่หกรรมในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจตสมุปบาทสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห5บหเสียงอ่านโดยอริยคุณชมรมพลดีเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนควรศึกษาตามลำดับตั้งแต่บทเริ่มต้นพุทธธรรมจนถึงบทที่หนึ่งและเรียงตามลำดับบทไปนะครับ ตัวอย่างเนื้อหาภายในประกอบด้วยความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรมความหมายของกรรมประเภทของกรรมปัญหาเกี่ยวกับการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการให้ผลของกรรมในระดับต่างๆองค์ประกอบส่งเสริมและขัดขวางการให้ผลของกรรมการพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่และท่าทีปฏิบัติต่อเรื่องชาติหน้าอลกรรมตามนัยยะแห่งจุลกรรมวิพังคสูตร ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ข้อควรศึกษาเพื่อความเข้าใจหลักกรรมให้ชัดเจนสุขทุกข์ใครทำให้เชื่ออย่างไรผิดหลักกรรมกรรมชำระล้างได้อย่างไรแก่กรรมด้วยปฏิกรรมกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมกรรมของสังคมมีหรือไม่กรรมตามสมมตินิยามหรือกรรมในกฎมนุษย์กรรมกับอนัตตา ขัดกันหรือไม่คุณค่าทางจริยธรรมและพุทธพจน์ในเรื่องกรรมผลแห่งการเชื่อกรรมที่ถูกต้องเรื่องกรรมสิบสองและข้อเตือนใจเพื่ออนาคตจัดทำโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัค ร, รอบครัวลิวสมริครอบครัวพันเกตมงคลบุรินลิมรัตนาเมกาไพรันและสุชาดาจันทรามิตรเจ้าภาพรองยานินเวียงเกต กมนทิอินทวิเชียนครอบครัวแก้วนปปุลและครอบครัวรัตนาคนนรนภพัฒและภัทธิราวันนีจ้จะคุกนุชนาดเลิศลามีชัยพัชราภรพัทธรวรคุณสำหรับในชุดพุทธธรรมบางบทอ่าจมีเนื้อหาบางส่วนซ้ำกับเสียงอ่านที่เคยทําไปก่อนหน้านี้ในชื่อเรื่องเกี่ยวกับกรรมซึ่งเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์มาก่อนที่ท่านจะเรียบเรียงเป็นพุทธธรรมฉบับปรับขยายนะครับโดยในพุทธธรรมจะมีส่วนที่แตกต่างกันไปพอสมควร แจ้งให้ทราบเพื่อท่านที่ฟังชื่อเรื่องคล้ายกันก่อนหน้านี้จะได้ไม่สับสนและคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับสําหรับเนื้อหาในพุทธธรรมนั้นจะเป็นเชิงวิชาการค่อนข้างลึกแต่ก็ถือว่านํามาศึกษาได้ง่ายขึ้นกว่าการค้นคว้าประไตรปิฎกด้วยตัวเองหากฟังตรงไหนแล้วไม่เข้าใจไม่คุ้นศัพท์ก็ขอให้ฟังด้วยใจสบายไปก่อนฟังผ่านๆไม่ต้องพยายามกดดันตัวเองให้เข้าใจเพราะจะยิ่งทําให้ไม่เข้าใจ มีเวลาเขย้อนกลับมาฟังซ้ําไปซ้ํามาจะเข้าใจดีขึ้นตามลําดับนะครับเนื้อหาในหลายบทในบางส่วนจะเป็นเรื่องที่ลึกสําหรับผู้สนใจเชิงวิชาการในบางหัวข้ออาจไม่ได้จําเป็นกับคนทั่วไปที่ไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ก็ขอให้ฟังไว้ประดับความรู้เท่านั้นนะครับสําหรับเสียงอ่านคนวรให้ฟังในเบื้องต้นหรือไว้ฟังทบทวนมีโอกาสควรศึกษาจากต้นฉบับหนังสือโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีจัดทําเป็นพุทธธรรมออนไลน์ทําให้การศึกษาค้นคว้าสะดวกกว่าเดิมมากเราะท่านแนบลิงก์คําแปลและที่มาอ้างอิงของศัพท์แต่ละคําไว้พร้อมในตัวผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมโดยละเอียดใช้คําค้นหาว่าพุทธธรรมออนไลน์ได้เลยนะครับก่อนเข้าเนื้อหาหลักขออนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ชมรมผลดีทํา ง, งานต่อไปได้นะครับครอบครัวทรงพลสรวุฒิช่างพินิษฐ์ปุณณพินสุกขลึง พนมรักเพชรเสถียรช น, น, นิการอศวรกวินทิพย์เป ร, รืฤดีกังสนารักสุรพลประธานวนิชย์เข็มทองโพคาพาณิชย์ร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องสัพาษทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง